ะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาของช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุททวจจนะกันแล้วคะ่ ะ, รร ะ, คค ป, ะนนประมาณมรสการพระอาจารย์คริสิ์โสธิพโลวันาปภงลำลูกาคลองสิทธ์พร้อมๆกันเลยคะ่ะ าท่านผู้ชมเข้าวันนี้ในรายการเราก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่ได้ต้อนรับพุทธศาสนิกชนท่านหนึ่งที่มีความศรัทธาในพุ้ทวจนะได้เปิดบ้านที่น่าอยู่ของท่านเนยนะคะเป็นสถานที่ที่ให้พระอาจารย์ไปแสดงธรรมเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายที่มีโอกาสเข้ามาฟังธรรมนได้เข้าถึงพุธธ้ทวจนะดิฉันขออนุญาตเรียกชื่อเล่นกันแล้วกันนะคะพี่หน่อยนั่งอยู่ด้านนี้เจ้าของบ้านพุ้ทวจนะคะ่ะ เจ้าของบ้านพุทธวั์ใช่ไหมคะ <3> <3> ค่ะประธานโทษค่ะอยากให้พี่หน่อยได้พูดถึงชื่อจริงนามส ก, กุลจริงของพี่หน่อยสักนออิดนะค ะ, คะชื่อเลมออนมนมงคลธันย์ค่ะนามสกุลเดิมธรรมธนัทค่ะค่ะเป็นเจ้าของบ้านพุทธวั์บ้านชื่ออย่างนั้นเลยเหรอคะออพระอาจารย์เมตตาตั้งให้เมื่อสองปีที่แล้วอะค่ะหลังจากที่ได้นิมนท่านนะคะไปพูดเดึงผู้พุทธวจนะให้กับญาติโยมฟังที่บ้าน ก็เลยก็เลยขอโอกาสท่านมาช่วยตั้งชื่อบ้านให้ด้วยอันก็เลยตั้งชื่อให้ว่าบ้านพุทิวัดคุณก็สุขใจมากสุใจมา ก, มาก <laughs> ปกติแล้วเปิดบ้านเพื่อที่จะให้คนได้มีโอกาสเข้าไปฟังธรรมอย่างนี้อยู่เป็นประจำไหมคะอ๋อแต่ก่อนไม่เคยเลยค่ะแต่สมัยก่อนก็จะเวียนไปตามที่อื่นนะคะไปฟังท่านเกจิหลายองค์อะไรอย่างนี้ก็ชอบอะค่ะแต่หลังจากที่ได้ปฏิบัติธรรมครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ฟังพระจารย์ด้ ก็รู้ส ซ, ซึ่งในคําของพุทวจนะนะคะเราก็เลยติ Ooh, ดตามพระอาจารย์ก็เลยถืโอกาสที่หมดท่านว่าท่านจะเมตตาไปไปสงดนาคธรรมที่บ้านได้ไหมอ๋อค่ะก็เมตตาให้ค่ะก็เลยทําำในกิจวัตรเสาที่สามทุกทุกเสาที่สามของเดือนนะคะเนี่ยศรัทธามากมิเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วนะคะเกืบสองปีแล้วค่ะเกือบสองปีถ้าเดือนละครั้งเกือบสองปีก็ จะบอกได้ไหมคะเผื่อว่าท่านทั้งหลายเนี่ยอาจจะไกลจากวัฒนบัพฟงหรือว่าไม่ไกลแต่อยากไปฟังที่ไหนเพราะมีคนบอกบรรยากาศบ้านริมน้าเลยค่ะอยู่ริมแม่น้ำชลประยาค่ะที่อยู่ตรงไหนคะอยู่ใกล้ๆกับสะพานปทุมธานีนะคะใกล้ๆกับวัดหงหาง่ายค่ะหาง่ายบอกใครว่าไปแต่บ้านพุทธวัดอยู่สะพานปทุมธานีอยู่บ้านพุทธวัดนะคะปทุมธานีก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟังกัน ต้องมีกติกาพิเศษนะคะต้องรู้จักกันมาไม่ตามกา3ปีไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็นขอให้เราเป็นรูกพุทธเจ้าด้วยกันนะคะแล้วก็ยินดีที่จะไปฟังว่าพุทธเจ้าท่านพูดอะไรบ้างแล้วก็อยากเรียนรู้ว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านได้สอนอะไรไว้บ้างปัจจุบันเรานํามาใช้ได้คะสอนตอนกี่โมงคะเออท่านไม่ตาให้ตอนบ่ายสค่ะตอนบ่ายสตอนเที่ยงเราก็จะมีเชิญทานข้ากันก่อนมีเลี้ข้าวด้วยค่ะ บทสองของวันที่เสาที่สามนะคะที่บ้านพุทธวัดท่านทั้งหลายที่ไปฟังนะคะมีการฟังปฏิกิริยาเข้าไหมคะว่าเขาพูดถึงพุทธวจนะหลังจากที่ได้ศึกษาแล้วอย่างไรทุกคนชอบมากนะคะแล้วก็ที่บ้านก็จะเปิดโอกาสให้สอบถามพระอาจารย์ก็เมตตาจะตอบทุกคําถามที่ถามเข้ามาซึ่งทุกคนที่ไปก็จะมีความสุขกันนะคะ จะเป็นวันที่เรามีอะไรมีอะไรที่สงสัยเนี่ยก็จะก็ค่อยเคลียออกไปเคลียออไปก็ดีอะค่ะ ด, ดีมากมากเป็ว่ามีคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมคะเพิ่มขึนเรื่อยๆนะคะท่านอาจารย์ตอนนี้นี่มีบ้านที่เปิดในลักษณะบ้านพุทธวัดอย่างนี้หลายที่ไหมคะที่นิมนต์ไปแสดงธรรมเป็นประจํานะค ะ, ะก็ก็ดูจะเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ่ะคะอ่า ถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเวลาเริ่มแน่นขึ้นทุกขณะเกิดอยากมีใครที่จะนิมนต์เป็นประจำประจําอย่างคุณหน่อยนี่พอจะเป็นไปได้ไหมก็เป็นประจํำดิบแล้วไม่หมายถึงคนอื่นอ๋อๆก็ถ้ามีความศรัทธาก็ก็ได้ลองนิมนต์มาไหมคะถ้าอยาจะมีเวลาเอยู่ค่ะเนี่ยนะคะเป็นเป็นเพื่ออะไรนะคะอานุภาพของคําสอนอ ใช่ไหมคะที่ก็จะทำให้คนฟังแล้วรู้สึกดีพรรู้สึกดีก็จะอยากบอกคนอื่นต่อ<ช>นะครับแปลกมากเป็นเป็นของที่ได้มาแล้วไม่อยากเป็นของตัวเองคนเดียวคือเราได้ฟังแล้วเราก็ชอบนะคะได้เรา <c oughs> เป็นประโยชน์กับชีวิตลำบ า, าช่เป็นประโยชน์ยังไงคะใหญ่จะถาม ห, หน่อยว่ามันพบชัดๆเลยว่าตั้งแต่เราเรียนรู้พูดโฆษนะเนี่ยเราได้อะไรมากขึ้นก็คื อ, อถ้าเราเรียนด้วยใจนะคะเรา น้อมเข้าไปแล้วนํามาใช้ในการคลองตนในการคลองเรือนเนี่ยใช้ได้ดีมากๆเลยค่ะคนที่มีทุกข์ก็จะทุกข์น้อยลงคนที่มีสุขก็จะสุขยิ่งขึ้นเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนไว้เนี่ยมันเป็นจัุธรรมดังนั้นเลยเทียงอะไรไม่ได้สักเรื่องเลยคพยายามเทียงพยายามหาเหตุผลมาล้างหาไม่ได้เลยนะคะนี่ก็จากผู้ที่เห็นความสําคัญของผู้ทวจนะแล้วก็ได้ทดลองด้วยตัวใช้ใช่ไหมคะโยงนําไปใช้ค เลยไหมคะมีเรื่องไหนไหมคะที่เอาธรรมะพุทธ อ, องค์ไปใช้ไม่ได้เรื่องนี้ต้องหา้าวโอ้แทบจะไม่มีแล้วค่ะยิ่งถ้ามีปัญหานะคะลองลองนําคําสอนท่านมาใช้เนะะี่ยโอ้มันจะปัญหามันจะคลีค่คลายอย่างน้อยในยใจได้แล้คะนะค ะ, ะ, คะถ้ามีปัญหาจะยิ่งรู้สึกว่าเป็นประโยชน์มาก ป, ประโยชน์มากค่ะอย่างอื่นจะต้องค่อยๆเข้าถึงก่อนก็นแล้วกันนะคะทีนี้มาถึงคําถามวันนี้พี่หน่อยมีอะไรจะถามถ้าจนพิเศษไหม อ๋อคงไม่มีอะค่ะเพราะว่าจนใหญ่ท่านก็จะเมตตาตอบทุกเดือนู่แล้วค่ะมีปฏิบัติด้วยหรือเปล่าคะที่นั่นเวลาก็มีเล็กน้อยะคะส่วนใหญ่จะเป็นการเหมือนกับสนทนาธรรมจริงๆคือจะถามมาตอบไปอย่างนี้ค่ะซึ่งได้ประโยชน์กับผู้ฟังมากมากค่ะท่านอาจารย์คะในการที่สนทนาธรรมเนี่ยท่านจคิดว่า ได้ประโยชน์ในลักษณะใดแล้วก็คนเราเนี่ยควรจะได้มีโอกาสในการที่จะสนทนานี้หรือไม่หรือว่าปฏิบัติ <c oughs> ปฏิบัติไปเองก็จะเข้าใจไปเองใช่ไหมคะอาจมันต้องประกอบกันครูเจ้ยังบอกกับพิสุว่าเธอบวชเขมาแล้วเนี่ยใครจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตามให้เธอตั้งจิตว่าเธอจกศึกษาต้องศึกษาเพราะว่าในความเป็นสาวกเนี่ยรู้ทําเองไม่ได้นะต้องได้ยินได้ฟังนะ และเมื่อเราเนี่ยเข้าไปพบภิกษุผู้คล่องแคล่วในหลักพุทธวัฒน์ทรงธรรมทรงวินัยเนี่ยพระศาสดาก็บอกว่าให้เธอเข้าไปซักไซ้์ไล่เลียงสอบถามทวนถามแก่ท่านว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้นะก็มันเทาความสงสัยทั้งหลายที่สงสัยในให้ใคร ล, ลงไปได้ ท่านตรัสดีคำว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดในชื่อช่วงนี้เลยอ่าฮะใช่ <c oughs> อ๋อตรัสไว้ตรงนี้เองตรัสไว้ตรงนี้นะคะใช่ก็แสดงว่าคือควรจะมีการปฏิบุดฉากันกั้ทั้งระหว่างพระกับพระกับพระกับคารวะใช่เพื่อเป็นการเปิดธรรมที่ถูกปิดใช่แล้วต่างคนต่างบรรลุธรรมได้ด้วยการฟังธรรมก็เป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้การแสดงธรรมก็เป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้พระเจ้าบอกภิกษุแสดงธรรมแก่ภิกษุด้วยกัน พิสู้แสดงธรรมก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เพราะเกิดความเข้าใจในอันในธรรมไปพร้อมๆกัน<ม>เกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นบรรลุธรรมได้ไม่ได้แสดงธรรมแก่พิสูแต่แสดงธรรมแก่คารวะก็เป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้นะอันนี้สงเยอะมากนะแล้วพระเจ้าจะบอกว่ากิจ2 อ, อย่างที่เมื่อเรามาประชุมกันแล้วเนี่ยหนึ่งนั่งนิ่งอย่างพระอริเจ้านะคือทำสมาธิไปอย่างที่2ก็คือกล่าวธรรม หรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวและอีกประสูตรหนึ่งจะเป็นเรื่องที่ยมบอกคือปฏิบุตรชาวินิตาก็คือการมาถกกันในคําพระศาสดากลุ่มคนพวกนี้พระองค์จะเรียกว่าปฏิบุตรชาวินิตาปริสาโนโอุกาจิตวินิตาถกกันแต่คําพระศาสดาไม่ไม่ใช่คําของคนอื่ น, นพระเจ้าบอกเธอจะเป็นบริษัทที่เลิศที่สุดอย่างนี้เข้าใจไหม <c oughs> กล่าวว่าเมื่อมาพบปะกันให้นั่งนิ่งแบบพระอริยเจ้าใช่กลับให้กล่าวธรรมกล่าวธรรมอันนี้หมายความรวมถึงทั้งภิกษุแล้วก็ทั้งฆราวา์ด้วยหรือเปล่าคะเวลามารวมตัวกันเนี่ยใช่ๆช่เพื่ออะไรกันล่ะก็หนึ่งเพื่อปฏิบัติสองก็เพื่อความแตกฉานในธรรมไงอ๋อคือเหมือนกับว่าไหนไหนมาเจอกันแล้วต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกิดประโยชน์ การรวมกันเนี่ยถ้าไม่เกิดประโยชน์ไม่มีความมุ่งหมายไม่มีเป้าหมายเนี่ยมันจะเป็นการคลุกคลคลีซึ่งพระุทธเจ้าบอกไม่ดีอย่าคลุกคลีกันนะเป็นธรรมที่เป็นไปนเพื่อความเสื่อมแต่ถ้ามารวมกันแล้วเนี่ยเรียกว่าประชุมเนี่ยคือมีเป้าหมายนะนั่งนิ่งนะภาวนาไปหรือว่ากล่าวธรรมฟังธรรมนะอันนี้เรียกว่าการประชุมซึ่งถ้าประชุมกันหนึ่งนี่ประชุมกันให้มากพอเนี่ยนะเป็นเหตุของความเจริญและไม่เสื่อม หน่วยงานนั้นองค์กร น, นั้นค่ะ <c oughs> คือเหมือนกับฟังกซันดูน่าจะไปปรับประยุกต์กับการใช้ในชีวิตประจําวันได้ใช่นะคะว่ า, าการคลุกคลีกันอยู่เยอะๆเนี่ยถ้าไม่มีเป้าหมายเนี่ยมันเป็นการคลุกคลีที่อันตรายใช่ไม่เกิดประโยชน์ชเอเดี๋ยวมันจะทะเลาะบอกแวงแนละ้วคุยกันไปมากมันทะเลาะ ก, กันนะคะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นการประชุมที่มีเป้าหมายก็ขอให้รู้ว่ายังไม่มีหน้าที่พูดให้นั่งนิ่งไปก่อนอย่างนั้นหรเปคะใช่เป็นผู้ฟังที่ดีให้เป็นผู้ฟังที่ดี หรือถ้ามีหน้าที่ถึง<ม>จังหวะโอกาสก็ค่อยเสนอเรื่องราวต่างๆถึงเขาไม่ได้พูดธรรมะกับเราเนี่ยผู้เจ้าก็บอกให้ให้ตั้งใจฟังซึ่งนี่เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของผู้ที่ควรจเจริญงอก ง, งามไปบุญในธรรมะในนี้สิเว็ประการในประการหนึ่งก็คือเป็นผู้รู้จักน้ำที่ควรดื่มรู้จักน้าที่ควรดื่มคือเมื่อมีคนแสดงธรรมอยู่ถึงแม้ไม่ได้แสดงธรรมกับเราเนี่ย เราก็เงียบโสดลงสดับแล้วเราจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัดซึ่งทำเข้าใจไปพร้อมๆกับเขาซึ่งเป็นเหตุให้คนคนนั้นเนี่ยบรรลุธรรมได้อันนี้เรียกว่าน้ําที่ทควรดื<ว>รร่มใช่รู้จักน้ําที่ควรดื่มสงสัยเรื่องที่กราบเรียนถามท่านในวันนี้ดิฉันจะต้องกลับมาพูดในเรื่องทางโลกประกอบกันไปตลอด เ, อเพราะว่าก็มีโอกาสได้ร่วมในการประชุมหลายๆอย่างสังเกตว่าบางที่ประชุมมาท่านคะไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยเรไม่ได้นั่งรอด้วยนะครับ ออกไปข้างนอกเลยค่ะนักงานบางคนเนี่ยมาเพื่อพูดเรื่องของตัวแล้วไม่ฟังเรื่องของคนอื่นอ่าฮะใช่นี่เป็นอันตรายนะครับท่านผู้ชมค่ะน่าคิดเป็นอย่างยิ่งเลยความจริงแล้วจะว่าไปเนี่ยน่าจะให้เรียนรู้ธรรมะก่อนนะครก่อนที่จะเข้าสู่ทางโลกด้วยปัญหาจะได้เกิดน้อยมีอะไรแง่มุมที่เพิ่มเติมหรือไหมคะทีฉันสนใจมากในเรื่องเนี้ว่าเจอกันต้องอย่างที่บอกเนี่ค่ะอ๋อและและท่านบอกว่า เดี๋ยวนะคะเมื่อสักครู่นี่เป็นลักษณะของผู้ที่เข้าอยู่ในที่ประชุมว่าให้นั่งนิ่งๆกับให้พูดใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างที่บอกว่าปฏิปุจรชาววินีตาเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นในสังคมการประชุมไหมคะเกิดขึ้นในสังคมการประชุมได้ไหมได้ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> มันหมายถึงการที่ที่พุทธบริษัทนี่มาถกกันภาษาสดานี่ให้ถกในคําพระศาสดา เพราะว่าคำภาสสัสดาจะไม่มีข้อผิดและคำจะสอดรับกันเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถกี้คลายปัญหาแก้ปัญหาไปได้ทุกๆเรื่องส่วนที่ท่านบอกว่าพิสุทิ <c oughs> ที่ได้แสดงธรรมใช่ไหมคะก็มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้ใช่ในขณนะแสดงธรรมนั้นค่ะผู้ที่ฟัง ท่านแสดงธรรมมีโอกาสบารรลุธรรมได้ไหมคะอ๋อนี้เป็นมาตรฐานเลยเพราะว่าการฟังธรรมเป็นเหตุให้ได้การบารรลุธรรมโดยตรงอยู่แล้วและประโยชน์อย่างยิ่งในการเกี่ยวข้องกับสมณะก็คือการได้ยินได้ฟังธรรมคือได้ยินในสิ่งที่ตนเองไม่เคยได้ยินได้ฟังะนะเรื่อคือเรื่องอริสสีนเองอค่ะดันั้นนี่ก็เป็นคุณประโยชน์ที่คนไทยไปวัดอาจจะ ขาดตรงนี้ส่วนใหญ่อันนี้ไม่ได้ว่ากันมะครับเพลงแต่เราวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสังคมาเวลาไปวัดเรากวรจะไปฟังอะไรต่อไปนี้คือเข้าใจว่าคนไทยอาจจะเข้าใจว่าไปวัดเนี่ยไปทําพิธีก็ได้นะครับเพราะทำพิธีที่บ้านไม่ได้เป็นไปได้นะคะออาจจะเป็นเชื่อโดยบริสุทธิ์ตอนนี้ก็จะได้เข้าใจว่าถ้าตามคําสอนของพุทธองค์การเกี่ยวข้องกับสมณะนี่จะต้องเป็นในลักษณะยังไงคือฟังธรรมเนี่ยคือประโยชน์อย่างยิ่ง ท่าอาจารย์คะถ้าเป็นในพุทธวจนะเนี่ยพูดถึงการเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นไหมคะนิมนต์พระพุทธเจ้าไปบ้านอ๋อก็มีเหมือนกันค่ะขอเป็นความรู้อะไรคะออก็จะมีการนิมนต์พุทธเจ้าไปที่บ้านเนี่ยดูแล้วพระุทธเจ้าทําอะไรบ้างพระศาสดาก็ฉันอนุโมทนาวัดนะกล่าวคาอนุโมทนาแล้วก็แสดงธรรมแล้วก็จบละกลับไม่ได้ทําอย่างอื่นเล ไปฉันเนี่ยเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดได้ในแต่ละวันเพราะภิกษุเนี่ยเจ้าไม่อนุญาตให้ทําอาหารเองนะให้เป็นผู้ขออาหารบิณฑบาตเนี่ยวันต่อวันเมื่อฉันอาหารแล้วก็กล่าวทำแสดงทำให้เจ้าของบ้านเนี่ยผู้ที่มาเนี่ยได้ยินได้ฟังนะแล้วพระเจ้าก็จะจัดอา น, นิสงส์ของการที่ ภิกษุผู้มีศีลเนี่ยเข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดก็จะได้นิสงฆ์หประการนะการที่เจ้าของบ้านเนี่ยมีความเลื่อมใสในนักบวชผู้มีศีลเนี่ยก็นะ เ, เป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์ <S S S S การที่เขาลุกลับกลับว่ายให้อสนะัญหาเป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงนะการที่เขากําจัดความตระหนิอันเป็นมลทินเนี่ยก็เป็นเหตุให้ได้กิติศักดิ์ใหญ่ และการที่เขามีการจำแนกแจกทานตามสติกำลังอันนี้เป็นไปเพื่อการได้โภคค่าอันใหญ่เพราะทานที่ให้ผลน้อยจะมีผลมากทานที่ให้มากก็จะมีผลมากทวีคูณนะและสุดท้ายก็คือพู้เจ้าบอกว่าการที่ได้ฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลเนี่ยย่อมเป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอันใหญ่นะนั้นอันที่สองก็จะมีทอนกลางมากหมายถึงว่านักบวชผู้มีศีลคือนักบวชที่มีวัดปฏิบัติที่ดีใช่ นะครเข้าว่านไหนก็เป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้เวลาใครป่วยหนักๆที่เขานิมนต์พระไปบ้านอย่างนี้ก็มีโอกาสไปสวรรค์เลยสิคะก็มีโอกาสแต่อยู่ที่ไปแล้วทําอะไร <c oughs> ไปแล้วทําอะไรก็ถึงจะทําให้ท่านเหล่านั้นมีโอกาสไปสวรรค์นั่ครับก็ไปแสดงธรรมนี่แหละนะ <c oughs> แล้วแสดงธรรมของพระศาสดาค่ะ <c oughs> และที่กับที่พระองค์จัดกับพระพัฒคุณนะ ซึ่งใกล้จะเสียชีวิตแล้วได้แสดงธรรม ท, า, ทาให้พระปัฏถุณะเนี่ยละสังโยชน่าเบิ้งต่ําได้ซึ่งพระเจ้ากา็บอกกับพระนนอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้ยินจากพระศาสดาโดยตรงก็ได้ <c oughs> หรือได้ยินจากสาวกที่ถ่ายทอดคําพระศาสดาก็ได้หรือลึกถึงบทแห่งธรรมของพระศาสดา ข, ขึ้นมาเองก็ได้ก็จะสามารถละสังโยชน่าเบิ้งต่ําได้ก่อนตายค่ะ ท่านอาจารคะทีนี้อย่างได้ยินจากบุคคลที่ถ่ายทอดอันนี้ก็คงจะอยู่ในกรณีที่กราบนิมนต์พระสงค์ไปให้ธรรมะใช่ไหมคะแต่ทีนี้ในกรณีที่ท่านบอกว่าระลึกธรรมขึ้นมาเองได้เนี่ยสมมุติว่าคนป่วยเนี่ยป่วยหนักมากกลัวเขาระลึกไม่ได้เนี่ยเราไปให้ธรรมะเขาเราเป็นคารวะธรรมดาอืศีลก็ทั่วไปแต่พอมีความรู้อยู่บ้างเนี่ยพอจะช่วยเขาได้ไหมคะก็เหมือนกันค่ะเพราะเราก็คือสาวกของพระศาสดา พุทธบริษัทนะน่ะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานั้นแค่จำธรรมะของพระศาสดาไปแล้วก็ไปพูดให้เขาฟังเหมือนกับเรานั่งอ่านหนังสือเนี่ยหนังสือมันก็ไม่ใช่ใครมันก็เหมือนกับเราเหมือนกันนะคนนั้นอ่านเข้าใจนะแต่เราไปพูดให้เขาฟังนะเขาก็เข้าใจซึ่งจริงๆการพูดให้ฟังจะดีกว่าด้วยซ้ำนะอ่าเพราะเป็นการการฟัง ที่ว่าเป็นการได้สดับโดยตรง โ, โดยปกติผู้เจ้าจะบอกเธอเนี่ยเป็นโอรสอันเกิดจากปากตถาคตคก็คือจะเน้นในเรื่องของการพูดและการฟังเป็นหลักก็าจากคราวแรสมมติเกิดคนป่วยเนี่ยจะมีลักษณะแบบบางคนแก่มากหรือบางคนอาจจะจู่ๆก็ไม่รู้สติความจำไม่เคยกลับมาอีกเลยนอนคอยความตายอยู่อย่างเี้ย มีไหมคะที่จะทําให้เราเกิดความมั่นใจได้ว่าไปให้ธรรมะพวกนี้เขารู้หรือว่าพวกนี้ถือว่าเป็นคนมีกรรมมากแล้วไม่ต้องไปพูดอะไรให้เขาฟังเลยเขาก็คงจะไม่ได้ยินไม่รู้ไม่มีโอกาสแล้วก็คือเราอย่าประเมินเองอย่าประเมินเองว่าเขาไม่รู้การประเมินบุคคลก็ต้องประเมินว่าเขารู้ไปก่อนเพราะถ้าเกิดเขารู้จะทํำยังไงเขาจะเสียโอกาสนะ <c oughs> แต่ถ้าเราประเมินว่าเขารู้ แล้วเราก็ให้ธรรมะไปน ะ, ะถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเราเหนื่อยไม่เป็นไรเพราะเรายังมีแรงอยู่นะแต่ถ้าเขารู้ได้นะก็จะไม่เสียโอกาสกับเขาในการที่จะได้บรรลุธรรมก่อนสิ้นชีวิตก็นะเท่ากับว่าต้องคิดไว้ก่อนว่าเขาเป็นผู้อยู่ในความเสี่ยงว่าจะไปไหนเราก็ต้องคิดว่าเขามีความรู้มีความสามารถที่จะรับรู้ได้ถ้าคิด ใ, ในแง่นี้ ก็จะทําให้อย่างน้อยเราก็สบายใจว่าได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดคจริงวันนี้ดิฉันมีผู้ร่วมรายการอีกท่านหนึ่งดิฉันเชิญมาเป็นพิเศษเพราะว่าได้ยินเสียงภาษาไทยพูดถวัตจนะเป็นภาษาอีสานอคุณตุ๊กตาค่ะชื่ออะไรชื่อแมงแมงค่ะชื่อแมงตุกตาเป็นเจ้านายอ๋อค่ะของระเาถ้วยค่ะอ๋อคุณตุ๊กตาเป็นเจ้านายแต่คุณแมงเนี่ย ทำยังทำยังไงถึงคิดว่าต้องสาธยายพุทธวจนะเป็นภาษาอีสานพอพอจะยกสักหมดได้ไหมคะเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่เชื่อคนจังหวัดอะไรคะอยู่ดอนอ๋อคุณแม่งอยู่ดอนฟังธรรมรู้จักท่านที่ไหนคะที่ดอนอะที่นี้ก็อยู่ที่ํางแรมครับพอดีเจ้านายเขานิมนต์ไปไปชันข้าวแล้วก็แต่แรกเริ่มเดิมทีนี่คือไปเปิดอะไรก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะคาะ แต่ไม่ได้มีโอกาสตลอดก็เลยอมันไม่มีโอกาสได้เข้าไปเพราะต้องรีบมาทํางานไงก็เลยมาเอ๊ะอาจารย์ท่านอยู่ไหนหน้าอะไรเงี้ยก็มันก็วุ่นวายเดี๋ยวไปหาเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยพอดีมีโอกาสค่ะพอมีโอกาสแล้วเลยชอบค่ะมันก็มีเรื่องกรรมเรื่องอะไรที่เขาบอกว่าทํากับแม่ไม่ได้ทํากับคนนั้นไม่ได้มันจะปฏิบัติไม่ได้อะไรเงี้ยคือก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะกรรมเนี่ยคืออันแรกเลยคือสงสัยเรื่องกรรมก่อนแหละค่ะทีนี้ พอมาถามอาจารย์อาจารย์มาให้แก้ที่ผัสสะอืมเกิดมาในทั้งชีวิตก็ไม่เคยรู้ว่าผัสสะคืออะไรอะค่ะก็เลยเอ๊ <laughs> ต้องเสียตามอาคือจะถามใครเราก็ไม่กล้าถามอะค่ะก็เลยบางทีก็เหมาแท็กซี่บ้างบางทีก็อะไราบ้างอะเพื่ออยากรู้อะคือเพื่อเป็นคนที่ที่สงสัยไงนะเว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ไปถามคนนี้บอกอย่างนี้คนนี้บอกนี้คนนี้บอกนี้งงสับสนค่ะก็เลย มาได้กับพระอาจารย์เนี่ยค่ะว่าอ๋อมันคืออย่างนี้อย่างนี้ก็เลยลงทุนไปซื้อนู่นอันนี้ไปไว้ที่ร้านอย่างเงี้ยก็แก่ออกมาเอ๊ะทําไมคําพูดพระศาสดากับสาวกทําไมไม่เหมือนกันเราก็อ่านหนังสือะก็เลยมาเทียบเพียงกันเอออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออจะเลยอย่างลงมั่นเลยอ๋อและได้พบว่าคพระศาสดาดีที่สุดอย่างเงี้ยหคะถูกต้องคะ่ะหลังจากเทียบกันแล้วเทียบด้วยตัวเองเนี่ยนะคะเพราะว่าก็เอามาเทียบกันว่าเอ๊ะอันเนี้ย คนนี้พูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้บางอันก็ตรงบางอันก็ไม่ตร ง, ง, งอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจว่าเออมัน like, ยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอมาเทียบกันแล้วเอภาษาชฎาดีที่สุดถึงมันจะคล้ายคลึกันนะแต่ว่ามันไม่ใช่งไงค่ะไปทดสอบดูไหมคะทดสอบก็แรกๆก็ยังไม่ไม่อะไรเราก็พอดีมาท่องสายพอดีจะเราก็ไปไข่ควรอ <ST. S 2> ย่างเงี้ยอลไว่าเออเราเลยศรัทธามั่นไม่หวั่นไหวเพราะเห็นตามนั้นค่ะแล้วทําไมต้อง ต้องคข้ครวนเป็นภาษาอีสานเลยยังไงคะพาะเพราะว่าต้องการให้รู้ว่าอ๋อคนอีสานบางคนที่เขาแบบเป็นคนแก่เป็นคนอะไรเนี่ยภาษาไทยบางครั้งเนี่ยเขาก็ฟัง บ, บางทีเขาพูดเนี่ยเขายังมีภาษาลาวภาษาอะไรรวมเข้าไปด้วยใช่ไหมแต่ก็ไม่เฉพาะมุ่งหมายที่ไม่เฉพาะาภาษาอีสานนะคะก็รวมใต้หรือว่าทุกภาษาเขาพูดทุกภาษาละคะ ไม่พูดถึงหลายๆคนเพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นด้วยว่าเขาจะได้มีโอกาสว่าเออเนี่ยมีโอกาสแต่ก็ต้องขอบคุณน้าน้อยอะ้านน้อยเขาแบบเปิดโอกาสพอเราจะมาทำอะนรอย่างเงี้ยในึค่ะอ๋อแล้วก็เลยมาทำให้มีสีสันมีชีวิตชีวามากนะคะเวลาดูที่อินเทอร์เน็ตอะคะของวัดนับลองสาธิตหน่อยได้ไหมคะพุทธวจนบทที่ชอบเป็นภาษาอีสาน ในจิตปัญญาเราเนี่ยจ <c oughs> ะหันไปทางนู้นได้ไหมคะซัม <c oughs> มาปัตสังนิพินทติ <c oughs> เมื่อเห็นยูดยถูกต้องย่อมเบื่อนายนั่นทิขยาล่าคาขโย่พอความสิ้นไปแห่งนั่นทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะล่าคาขยานั่นทิขยาโย่พอความสิ้นไปแหงาา่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนั่นทิ นันทิล่าคะคยาจิตตังสูวิมุตตันติอุจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคาเกาวไดว่าจิตลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้แล้วก็จะมีอีกบทหนึ่งก็คือเนตังมามะนเนสูหะมั ส, สมิณมิสูอัตานันโมแมนของเฮานันโมแมนตัวเฮานันโมแมนตัวตนของเฮาแมนเลยแม่นภาษาอีสานขอบคุณมากเลยนะคะ เวลาท่านอาจารย์ก็ไปแสดงทําอีสานบ่อยเลค่ะท่านแสดงภาษาคุณแม่งเนี้ยเปล่าคะอ๋อคุณดิฉันไม่เป็นถ้าแสดงเป็นคงอยากแสดงเหมือนกันก็บอกว่าดีนะคะท่านอาจารย์เพราะว่าบางคนเนี่ยเรื่องภาษามันทําให้คนรู้สึกเป็นกันเองเป็นนมดเข้าถึงใช่อย่างยิ่งค่ะก็ไม่เฉพาะภาษาดีนะค่ะก็อยากให้ทุกภาษาด้วยอ๋อค่ะแสดงว่าเป็นคนที่ มีความเชื่อมั่นในเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะทีนี้อาละวันนี้เรามีคำถามที่จะมากราบเรียนถามท่านอาจารย์นะคะเป็นคำถามที่ฝากมาบอกว่าผู้ทวจนะบทที่ได้ตรัสถึงเธอพึงทำให้บริบูรณ์ในสิ่งทั้งหลายพึงตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างในฌาน ประกอบพร้อมแล้วด้วยวิปัสนาให้วัดเห็งผู้อยู่สุญญาคารทั้งหลายเจริญงอกงามเถิดคือพูดถึงการที่เราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะสงสัยว่า <c oughs> พึงตามประกอบในธรรมหมายถึงทำใดเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในในภายในหมายถึงอะไรอ๋อตามประกอบในธรรมอย่าง ธรรมะที่พระองค์ให้ตามประกอบก็เช่นอาณาปานสติอย่างนี้ให้เธอพึงจะทําให้มากเสพให้มากเจริญให้มากผู้ใดทํามากเจริญมากเนี่ยผลที่หวังได้สองอย่างคือพระหลานหรือพระนาคามีบุคคลแห่งจิตในภายในก็คืออย่างพระองค์ให้เราเนี่ยรู้เห็นการเกิดดับในภายในว่าในใจเราเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดดับไหมเดี๋ยวคิดนั่นเดี๋ยวเปลี่ยนความคิดไปนี่เ ด, เดี๋ยวมีสุขเดี๋ยวมีทุก นะอาการของจิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยคือทาในภายใ น, นอ๋ อ, อคือเหมือนกับว่าพึงตามประกอบในธรรมนั่นก็เป็นเรื่องของการอยู่กับลมหายใจอย่างนะี้ใช่อานาปานาสติใช่อานาปานาสติได้มีประการอื่นไหมคะ อ, อย่างอื่นก็เช่นกายกตาสติก็ได้ะนะมายถึงเป็นเรื่องของวิธีการในการปฏิบัติ เพื่อให้จิตมีสมาธิอย่างนั้นใช่ใชจะเป็นวิธีใดก็ได้เป็นวิธีใดที่ผู้เจ้าตัดไว้ก็ได้น ะ, ะกายคตาสติพระ อ, องค์สรรเสริญมากะนะเราก็หยิบประธรรมตัวลมหายใจก็เป็นกายคตาสติการเขึ้นหมายรีกดก็ใช่การรู้การทํางานในปัจจุบันก็ใช่ล้วนแล้วแต่หมายถึงการประกอบในธรรมใช่นะคะเป็นเครื่องสงบ <c oughs> แห่งปิดในภายในก็คือเพื่อที่เมื่อสงบแล้วเราจะได้คลายป่ว เราจะเห็นตามความเป็นจริงจะเห็นตามความเป็นจริงจิตเมื่ออยู่กับการมันก็คือสงบนั่นเองนะเพราะมันไม่สอดสายออกไปจิตที่เคลื่อนออกไปหาอารมณ์ก็คือมันไม่สงบแล้วสมถะก็คือสงบมีอารมณ์อันเดียวเพราะจิตมันมีหลายอารมณ์ไงรูปเป็นอารมณ์ของจิตเวทนาสัญญาสังขารมานจะวนคนเราจึงไปคิดอดีตบ้างไปคิดอนาคตไปรูส้สึกสุขทุกข์บ้างกลับมาลูกกายบ้างวนไปวนมาอย่างนี้ พูะเจ้าจึงให้ตามประกอบทำเป็นเครื่องสงบในภายในเพราะฉะนั้นขณะที่เราตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติจิตสงบแล้วผลที่ได้ก็คืออะไรเราจะเห็นสัจจกความจริงว่าจิตที่ตั้งอยู่กับอารมณ์อันเดียวเนี่ยมันจะไม่อยู่ทีท่ทั้งที่เราอยากให้มันอยู่กับกายแต่มันจะดับไปเราก็จะเห็นความจริงว่าอ๋อจิตเกิดดับซึ่งผู้เจ้าบอกคนในโลกธาเห็นยากมาก พระองคบอกเลยว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมเนี่ยไม่อาจจะรู้เลยว่าจิตเกิดดับเนี่ยตลอดไปเลยนะจนกว่าจะเคยได้ยินได้ฟังธรรมแล้วก็มาลองฝึกปฏิบัติถึงจะรู้ว่าจิตเกิดดับเพราะมันเกิดดับเร็วมาก ค, คือแปล ว, ว่าทุกคนมีสิ่งเหล่านี้ใช่แต่ว่าจะไม่ปรากฏ <c oughs> หากไม่ถึงความสงบ <c oughs> ใช่ใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่แล้วเมื่อถึงความสงบเราจะสามารถเห็นได้ <c oughs> ว่าจิตนั้น ไม่ได้อยู่นิ่งๆถึงแม้เราว่าจิตสงบแล้วเนี่ยใช่สงบแล้วมันก็ไม่นิ่งค่ะเพื่อเพราะว่าคําว่าสงบของผู้เจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าจิตไม่เคลื่อนคสงบมีเก้าระดับนั้นระดับแรกเนี่ยแค่ว่าไม่เคลื่อนไปในอกุศลเนี่ยผู้เจ้าบอกสงบละที่วงเรียกปฐมฌานไงแล้วว่าเราไม่ไปคิดในสิ่งที่ไม่ดีใช่ช่เป็นเรื่องความคิดอย่างเดียวเลยถูกไหมคะเพราะตอนนั้นสงบแล้วใช่ใช่นั้นแค่นี้ก็เพียงพอละเพื่อนเพือนเรา ความทำเฉยๆเนี่ยเราจะเห็นจิตเกิดดับไหมคะหรือว่าเราต้องมีจิตต้องมีสมาธิด้วยขณะที่ฟังธรรมเนี่ยมีการไข้ควรพิณาก็สามารถรู้ธรรมเห็นธรรมได้อย่างเห็นอย่างเราฟังธรรมอ่าพระเจ้าบอกว่าจิตเหมือนลิงเนี่ยกระโดดเกาะกิก่งนั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นเราก็มาดูในจิ ต, ตใช่มาดูปุ๊บเอ๊ะเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆอย่างเงี้ยมันจะเห็นไข้ควใครในสิ่งที่เราฟังด้วยและจะทําให้เราเห็นช่ แต่ว่าถ้าในที่นี้ในบทพยัญชนะนี้เนี่ยพึงตามประกอบในธรรมต้องเข้าสมาธินั้นใช่ไหมคะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ฉันขออนุญาตกลัวสับสนนี่หนึ่งอันนี้เป็นกรณีที่ที่เข้าสมาธิเมื่อเข้าสมาธิก็เท่ากับว่าท่านบอกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธองค์จะไม่ทราบจะไม่มีทางรู้แต่เมื่อเราศึกษาแล้วเราประกอบในธรรม คือ อ, อยู่กับลมหายใจอนาปาณสติหรือว่ากายคตาสติหรือจิตอธิษฐานการงานก็เห็นเองเลยสิคะที่ว่าจิตเกิดดับเนี่ยใช่มันจะเอ่อมันจะเห็นเองแต่ก็อยู่ที่ว่าคนนั้นเนี่ย <c oughs> มีไหวพริบ ป, ปฏิพันธเข้าไปสังเกตไหมซึ่งบางคนทําจิตให้สงบแต่ไม่เห็นก็มีแต่ที่ท่านาพูดเนี่ยดิฉันว่าสำคัญมากนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ยังสงสัยเลยว่าขณะที่เราทําสมาธิไปแล้วเนี่ย ตรงนั้นเนี่ยเป็นสมาธิอย่างไรเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนเห็นเหมือนกันหมดว่ามันไม่คยนิ่งมันก็จิตมันเดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวไปอันนี้คือความเข้าใจผิดของชาวพุทธค่อนข้างมากเลยน่าจะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะเราไปไปนิยามความนิ่งเอาเองซึ่งคำว่านิ่งหรือสงบของภาษาไทยเนี่ยมันหมายถึงการที่แบบนิ่งสนิทไม่ขยับเราก็ไป คิดแบบนั้นสัซ<ช>็นต์แต่จริงๆความสงบของพู้เจ้าเนี่ยมันมีต้องก้าระดับก็คือสงบจากอะไรบ้างสงบจากอากุศลสงบจากวิตกวิจารณ์สงบจากปีติสงบจากสุขมันจะนิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, นไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยซึ่งในความสงบทุกระดับเนี่ยมันยังมีการเคลื่อนไหวของจิตทั้งหมดน่ะนี่คือะ ค, ะความต่างกันนิดหนึ่งที่ทําให้เร า, า เ, เราเลยเลย ไปคิดว่าเราทําไม่ได้สักทีใช่คะ่ะอันนี้<ม>ความรู้สึกเนี้ยทีฉันเข้าใจว่าคงจะมีคนท้อจากความรู้สึกนี้กันหลายๆคนเพราะว่าบางคนก็บอกเนี้ยนั่งมาตั้งนานไม่เคยเลยที่มันจะอยู่นิ่งสักทีทีฉันได้ยินบ่อยมากแม้กระั่ตัวเองก็เคยเป็นใช่ค่ะมีความรู้สึกว่าเอีย่ยเขานั่งกันยังไงเหรไอ้ที่นั่งนิ่งๆเนี<ม>่ยเรารู้แต่ว่าเหมือนกับเราสงบแต่มันไม่นิ่งใช่ซึ่งถ้าเรารู้คุณสมบัติที่พระศาสดาตรัสไว้เราก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋อ เอาละเราปฐมฌานละมันไม่เคลื่อนไปในอกุศลแต่มันยังไม่นิ่งะนะแต่มันนิ่งในระดับเบื้องต้นก็คือไม่ไปคิดอกุศลและเราสามารถน้อมจิตไปเพื่อการเห็นการเกิดดับได้และถ้าเห็นการเกิดดับ้ากพอในปฐมฌานเราก็เข้าสู่วิมุตติได้มันง่ายขึ้นเยอะมากนะคือเท่ากับว่าเมื่อเรามีสมาธิแล้วจิตของเราสงบ ในชาตแรกคือเราไม่ไปคิดเรื่องกามพยาบาลเบียดเบียนอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าเรายังคิดอยู่แปลว่าเรายังไม่ถึงชาตที่หนึ่งมันจะอยู่ตรงไหนถ้าถ้าไม่ถ้ายังแหมยังคิดเรื่องที่ตีความได้ว่าบางอย่างเป็นกามบางอย่างเป็นพยาบาลบางอย่างเบียดเบียน<ๆ>แต่มันดูเหมือนจะเราสงบอย่างนี้แปลว่าเป็นสงบแบบไหนก็ต้องมีเครื่องวัดว่ากามคืออะไรพยาบาลเบียดเบียนคืออะไรไงค่ะแล้วถ้าอย่า ง, างเรานั่งๆอยู่อ จะไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนในน อ, อ่จิตคิดไปแล้วหรือนึกว่าโอ้โหเมื่อวานทานอาหารร้านนั้นอร่อยจังเลยหรือเมื่อวานไปซื้อเสื้อผ้ามาดีใจอะไรอัน น, <ล> น, นี้เป็นการนี่เป็นการความยินดีในรูปเสียงกินรสสัมผัสเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเครื่องกั้นความสงบอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเราเห็นจิตเกิดดับบ่อยๆนี่ออืเอ่เราถือว่าเราอยู่ในเราอยู่ในขั้นไหนก็อยู่ในธรรมานุปัสนาสิะฐานก็ได้ พราะ<ช>คนที่จะเห็นเกิดดับเนี่ยก็คือพื้นฐานก็คือจิตเนี่ยมันจะไม่ไม่เก่ออกุศลละน ะ, ะจากนั้นเนี่ยจิตก็จะเริ่มมาเริ่มเห็นว่าเอ๊ะจิตมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดการดับอย่างนี้งั้นถ้าในเวลาที่เหลือเนี่ยสรุปเอาแค่ชาตหนึ่งก่อนก็นแล้วกันเพราะท่านอาจารย์พูดให้ใจชื้นมากว่าหลุดพ้นได้สมมุติว่าทุกท่านจะหลุดพ้นจากชาติหนึ่ง <laughs> ท่านก็นั่งสมาธิด้วยวิธีต่างๆของพระพุทธองค์นะคะให้ เกิดความสงบแล้วมาพิจ า, ารณากันว่าสงบนั้นเนี่ยเป็นการวางจากอากุศลทั้งปวงการพยาบาทเบียดเบียนหรื อ, อไม่อันนี้เท่ากับชาติหนึ่งแล้วนะคะแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นคอยสังเกตแล้วล่ะว่าเดี๋ยวจิตมันเปลี่ยนไปอย่างโ้นอย่างนี้ท้าพูด ถ, ถูกใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่ามันเปลี่ยนทีหนึ่งก็เท่ากับมันดับแล้ว<ช>แล้วไปเกิดใหม่ดับแล้วไปเกิดเป็นอย่างอื่นทําดีๆหลุดพ้นได้เลยถูกต้องก็เป็นอันว่าพอจะเข้าใจแล้วนะคะว่าบทเพียญชนะ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 สบายใจมากขึ้นแล้วฉันก็อยากให้ทุกท่านได้ไปปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะได้เจริญงอกงามมากขึ้นส่วนจะมีคําถามใดนะคะท่านก็ติดต่อมาถามที่รายการพุทธวัจนะรายการนี้ในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะท่านอาจารย์คยริสคริสโซติพโลวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบนะคะท่านก็จะเมตตาทําให้พวกเราเนี่ยเกิดความสว่างหายความสงสัยไปได้ในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเรามานมัสการขอบพระคุณท่านกันค่ะ ชมที่เคารพคะสำหรับรายการพุทธวจนะในวันนี้แต่ฉันเชื่อนะคะว่าท่านได้ความรู้ในเรื่องคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเยอะแล้วก็สะท้อนให้เห็นอย่างนี้นะคะว่าถ้าเราเข้าใจคําสอนอย่างถูกต้องนั้นสิ่งที่เราเคยคิดว่ายากก็จะเป็นสิ่งที่เราเริ่มมีความรู้สึกว่าเราน่าจะทําได้มีกําลังใจเกิดขึ้นเยอะเลยดังเช่นเรื่องของการที่เกิดความสงบนะคะจากการที่ปฏิบัติตามธรรมแล้วก็ ทำให้เราได้พิจารณาในเรื่องในภายในเนี่ยนะคะประถมมชฌานอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกพวกเราไปลองไปปฏิบัติกันดูค่ะวันนี้เราก็จะลารายการกันไปเพื่อที่จะนัดมาพบ ก, กันใหม่ในวันถัดไปเพราะรายการนี้มีทุกวันนะคะพุทวสวัสดีค่ะก็ขอให้ผู้ชมรายการทุกธจนะเนี่ย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 เพื่อปราลบความเพียรต่อไปจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานและขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสมดรมรรคผลนิพพานกันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน